จเจริญพรท่านสาธุชนพุทธบริษัทออบาสกอุบาสิกาผู้ใฝ่ธรรมทุกทุกท่านวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่หนึ่งมกราคมพุทธศักราช2555เป็นวันขึ้นปีใหม่และเป็นวันพระวันธรร ม, มัตสวรนระ เป็นวันที่สาธุชนพุทธบาลสัตว์ได้ให้ความสำคัญต่อวันนี้เป็นอย่างมากจึงได้มาวัดเพื่อมาทำบุญกันเป็นจำนวนมากเพราะมีศรัทธาความเชื่อในบุญในกุศลและเชื่อว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีสำหรับปีใหม่สำหรับชีวิตใหม่ การที่เราจะให้ชีวิตของเรานั้นดีขึ้นได้นั้นขึ้นอยู่ที่การกระทาของเราการกระทาตามก็ทำคาสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนไว้อยู่ด้วยสามประการด้วยกันคือหนึ่งให้ทำบุญทำความดี 2. ให้ละบาปละความชั่วสา ให้ชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์คือชำระความโลภความโกรธความหลงที่เป็นเครื่องเศร้าหมองทำให้จิตใจไม่มีความสุขถ้าเราสามารถจะปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าส่งสอนไว้ทั้งสามข้อนี้ได้ผลที่เราพึงจะรับก็คือความสุขความเจริญทั้งในปัจจุบัน และในอนาคตคือภพชาติที่จะตามมาต่อไปเพราะเป็นคําสอนที่ได้รับการพิสูจน์มาด้วยพระพุทธเจ้าแล้วว่าเป็นตามความจริงทุกประการทําอย่างนี้จะได้อย่างนี้ไม่ทําอย่างนี้ก็จะไม่ได้อย่างนี้ทรงได้พิสูจน์มาแล้วว่าทําบุญแล้วจะได้รับความสุขความเจริญไม่ทําบาปแล้วก็จะไม่ ต้องรับผลของบาปคือความทุกข์ความวุ่นวายใจต่างๆการที่เราจะทำความดีล้าบบาปและชำระใจของเราให้สะอาดได้นั้นเราจำเป็นต้องมีธรรมะที่เป็นเครื่องมืออยู่สี่ประการด้วยกันคือ 1. อธิษฐานแปลว่าความตั้งใจ 2. สัจจะ แปลว่าความจริงใจ 3. วิริยะแปลว่าความภาคเพียรพยายาม 4. ขันติแปลว่าความอดทนถ้าเรามีธรรมะทั้งสี่ประการนี้อยู่ภายในใจของเราแล้วเราจะสามารถปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าได้อย่างง่ายดาย ไม่เป็นปัญหาเลยไม่ว่าจะยากเย็นหรือง่ายก็จะไม่เป็นปัญหาเพราะเรามีเครื่องมือที่ดีเป็นเหมือนรถโฟล์วินรถที่สะเทอนน้าสะเทินบกน้นําท่วมก็วิ่งไปได้ขึ้นเขาลงห้วยได้ไม่มีถนนก็ไปได้นี่คือธรรมะที่พวกเราควรที่จะ แสวงหาสร้างให้เกิดขึ้นก่อนถ้าเรามีธรรมะทั้งสี่ประการนี้แล้วรับรองได้ ว, ว่าการทำดีราบบาปการชำระใจให้สะอาดนี้จะเป็นเรื่องที่ง่ายดายมากและผลก็คือความสุขต่างๆความเจริญต่างๆไม่ว่าจะเป็นทางโลกก็ดีเช่นราบยศสรรเสริญความสุข ทางตาหูจมูกนิ้นกายก็ดีหรือความเจริญทางด้านจิตใจคือพบชาติที่ดีขึ้นไปตามลาดับพบชาติของเทพของพรหมของพระอริยะบุคคลขั้นต่างๆก็จะเป็นผลที่จะตามมาอย่างแน่นอนเพราะว่าพระพุทธเจ้าได้ทรงพิสูจ์แล้วด้วยพระองค์เอง พาาาระอรหันตสาวกทั้งหลายก็ได้พิสูจน์กันเช่นเดียวกันและได้รับผลเช่นเดียวกันมาตั้งแต่สมัยพระพุทธการจนถึงสมัยปัจจุบันนี้การประพฤติและผลที่จะได้รับจากการประพฤตินี้เป็นเป็นหลักตายตัวคือไม่เปลี่ยนไปตามการตามเวลาไม่เสื่อมไปตามการตามเวลา สมัยพระพุทธการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วได้รับผลอย่างไรสมัยปัจจุบันนี้ถ้าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็จะได้รับผลอย่างนั้นเช่นเดียวกันดังนั้นพวกเราไม่ต้องลังเลไม่ต้องสงสัยขอให้เราฝากเป็นฝากตายไว้กับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ได้อย่างมั่นใจว่าจะไม่ขาดทุน จะไม่เสียชาติเกิดจะได้กำไรจะได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดซึ่งถ้าไม่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มาเผยแผ่สั่งสอนแล้วพวกเราจะไม่มีโอกาสได้หลุดพ้นกันเลยนอกจากจะต้องบำเพ็ญบุญกุศลไปเป็นกลับเป็นกันจนกว่าบารมีจะแก่ก้าพอ ถึงจะสามารถหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดไปได้แต่ในชาตินี้เป็นบุญเป็นวาสนาของพวกเราที่ได้มาพบกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่เป็นเหมือนผู้นำทางถ้าเรามีผู้นำทางแล้วการเดินทางไปสู่จุดน้อยปลายทางจะง่ายอย่างและรวดเร็วถ้าไม่มีผู้นำทาง จะยากและอาจจะไปไม่ถึงจุดหมายปลายทางได้ดังนั้นชาตินี้จึงเป็นชาติที่ประเสริฐสาหรับพวกเราทุกคนถ้าเราสามารถปฏิบัติตามได้พระพุทธเจ้าทรงรับรองไว้แล้วว่าสามารถบรรลุมรรคผลนิพพานได้ภายในชาตินี้เลยอย่างมากก็เพียงเจดปีถ้าขยันมีความฉลาดมากภายในเจดวันก็สามารถ บรรลุมั่งผลนิพพานได้ในสมัยพระพุทธกาลนี้มีผู้บรรลุมั่งผลนิพพานได้อย่างรวดเร็วในขณะที่ฟังเทศฟังธรรมของพระพุทธเจ้าฟังเพียงครั้งเดียวก็สามารถบรรลุได้เลยเพราะธรรมของพระพุทธเจ้านี้เป็นธรรมที่มีอานุภาพมากเพราะเป็นสวากขาโตพระกวตาธรร ม, มู คือทมที่ตรัดไว้ชอบและทมที่ตัดตามความจริงทุกประการผู้ฟังพอน้อมเอาไปพิจารณาน้อมเอาไปปฏิบัติภายในใจก็สามารถบรรลุได้ในขณะที่ฟังเลยดัยงนั้นพวกเราจึงไม่ควรที่จะเห็นสิ่งอื่นใดในโลกนี้ที่มีความสำคัญกว่า การปฏิบัติตามพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าเพราะสมบัติที่เราจะได้รับนี้คือมรรคผลนิพพานนี้เป็นสมบัติของเราอย่างแท้จริงเป็นสมบัติภายในที่ไม่มีใครจะสามารถแย่งเอาจากเราไปได้ไม่เหมือนกับสมบัติภายนอกนี้เป็นสมบัติที่ไม่ใช่ของเราอย่างแท้จริง เป็นเพียงสมบัติผัดกันชมเท่านั้นเรามีสมบัติในวันนี้แต่สักวันหนึ่งในวันข้างหน้าเราก็ต้องสูญเสียสมบัติทั้งหลายที่เรามีอยู่นี่หมดไปเพราะว่าชีวิตของเรานั้นมีวันสิ้นสุดนั่นเองเมื่อร่างกายเราถึงเวลาที่ตายไปแล้วสมบัติต่างๆที่เราได้หามาแทบเป็นแทบตายก็จะกลายเป็นของผู้อื่นไป แต่สมบัติภายในใจนี้จะเป็นของเราไปตลอดอนันตการไม่มีใครสามารถเอาจากเราไปได้เพราะอยู่ติดกับใจของเราที่ไม่ตายใจของเราที่ไม่มีวันเสือ่อมไม่มีวันหมดใจของเรานี้อยู่ไปตลอดอนันตการเพียงแต่ว่าจะอยู่แบบไหนจะอยู่แบบสุขอย่างพระพุทธเจ้าและพระสาวโกทั้งหลาย หรือจะอยู่แบบทุกข์แบบพวกเราทั้งหลายพวกเรานี้ก็อยู่กันมาเป็นเวลานา น, านแล้วเปลี่ยนพบชาติกันมานับไม่ถ้วนแล้วแต่ใจของเรานี้จะอยู่กับความทุกข์เสียมากกว่าอยู่กับความสุขดังนั้นถ้าเราอยากที่จะให้ใจของเรานั้นอยู่กับความสุขอย่างเดียวไม่มีความทุกข์เลยเราก็ต้องพยายามปฏิบัติให้ได้ สิ่งแรกที่เราควรที่จะมีก็คือความตั้งใจอธิษฐานภาษาพระนี้แปลว่าความตั้งใจไม่ใช่การขอจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายดังที่พวกเราเข้าใจกันพวกเรามักจะเข้าใจว่าการอธิษฐานก็คือการขอเช่นอยากจะได้อะไรก็อธิษฐานขอจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ อย่างนี้ขอไปจนวันตายก็จะไม่ได้ถ้าได้ก็เป็น เ, เหตุบังเอิญหรือเป็นเพราะว่าบุญเก่าของเรามีอยู่จึงทำให้เกิดขึ้นมาได้แต่การขอนี้ไม่ได้เป็นเหตุที่จะทำให้เราได้สิ่งต่างๆตามที่เราต้องการสิ่งที่เราสิ่งที่จะทำให้เราได้สิ่งต่างๆก็คือความตั้งใจ เช่นในปีใหม่นี้เราก็มักจะตั้งใจกันว่าจะทำอย่างนั้นจะไม่ทำอย่างนั้นอย่างนี้นี่ก็คือความตั้งใจเพราะถ้าเราไม่ตั้งใจเราก็จะไม่รู้ว่าเราจะทำอะไรเหมือนกับวันนี้ถ้าไม่ได้ตั้งใจว่าจะมาวัดก็จะไม่ได้มาถึงวัดเพราะนอนหลับนอนดึกก็อาจจะตื่นสายตื่นสายแล้วก็เลย ไม่รู้ว่าจะไปไหนก็เลยนอนต่อแต่ถ้าได้ตั้งใจไว้ก่อนล่วงหน้าแล้วว่าวันนี้ตื่นเช้าขึ้นมาจะต้องมาทำบุญใส่บาตรมาฟังเทศน์ฟังธรรมมารักษาศีลพอเราได้ตั้งใจแล้วเราก็มีมีจุดหมายปลายทางที่เราจะไปในขั้นที่สองพอเราตั้งใจแล้วสิ่งที่เราต้องมีอีกอย่างหนึ่งก็คือสัจจะ ความจริงใจคือเราตั้งใจไปแล้ ว, ลวเราต้องไม่โกหกตัวเราเองไม่ใช่ตั้งใจแล้วพอถึงเวลาก็นอนต่อไม่ยอมลุกขึ้นมาเพราะนอนดึกเลยไม่เลยไม่อยากจะตื่นถ้าไม่มีสัจจะถึงแม้จะมีความตั้งใจก็อาจจะไม่สำเร็จผลที่เราต้องการได้คือจะไม่ได้มาที่วัดแต่ถ้าเรามีสัจจะ พอเราตื่นขึ้นมาปั๊บเราก็รีบเตรียมตัวอาบน้ําแต่งตัวแต่งเนื้อแต่งตัวถึงแม้ว่าจะมีใครมาชวนให้ไปทําธุระหรือให้ไปเที่ยวที่ไหนก็ตามถ้าเรามีสัจจะแล้วเราก็จะปฏิเสธเขาไป ท, ทันทีเพราะว่าคนเหล่านั้นเมื่อตั้งใจเมื่อพูดว่าจะทําอะไรถ้ามีสัจจะ ก, ก็จะทําอย่างนั้นดังนั้น การมีสัจจะจึงเป็นเรื่องสําคัญมากเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าทรงตั้งสัจจะอธิษฐานในขณะที่นั่งอยู่ใต้โคนต้นโพพระองค์ทรงตัดตั้งสัจจะอธิษฐานว่าจะนั่งภาวนาจะนั่งปฏิบัติธรรมไปจนกว่าจะบรรลุเป็นพระพุทธเจ้าถ้าตราบใดยังไม่ได้บรรลุเป็นพระพุทธเจ้าจะไม่ลุกจากที่นั่งนี้ไปเป็นอันขาด ถึงแม้ว่าเลือดในร่างกายจะเหือดแห้งหายไปหมดก็ตามเพระองค์ก็ยอมตายมีทางเดียวเท่านั้นที่จะลุกจากที่นั่งนี้ไปได้ก็คือต้องต้องบรรลุตัดสัตุเป็นพระอรหันต์ตัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นเมื่อทรงมีอธิษฐานสัจจะอย่างนี้จึงทำให้ไม่มีการลังเลใจเลยใจนี้จะต้องพุ่งไปที่งานที่ต้องทำ ก็คือการภาวนาเพื่อชำระกิเลสตัณหาความโลภความโกรธความหลงที่มีอยู่ในพระทัยของพระองค์ให้หมดสิ้นไปนะเมื่อมีความตั้งใจมีสัจจะแล้วความภาคเพียนก็จะตามมานะนี่คือวิริยะคุณธรรมข้อที่สาพอเรามีอธิษฐานมีสัจจะแล้วเราก็จะมี วิริยะเพราะเราไม่มีทางเลือกแล้วเราต้องมาวัดอย่างเดียวพอติ่นขึ้นมาก็ต้องรีบอาบน้ำอาบท่าแต่งเนื้อแต่งตัวใครจะชวนไปที่ไหนก็ปฏิเสธไม่ไปแล้วก็ออกเดินทางมาที่วัดกันถ้าในขณะที่เดินทางถ้าไปเจออุปสรรคต่างๆอาจจะมีรถติดยางแตกเครื่องเสียก็จะต้องหาวิธีอย่างอื่น ถ้าเปลี่ยนยางได้ก็เปลี่ยนเปลี่ยนยางไม่ได้ถ้าต้องโบกรถก็โบกรถมาจะยากจะลำบาก ย, ยังไงถ้าไม่มีรถก็เดินมานี่คือความขันติความอดทนมีความขยันแล้วก็ต้องมีความอดทนด้วยถ้าไม่อดทนแล้วพอมีอุปสรรคอะไรที่ยากหน่อยก็จะทำไม่ไหวแล้ว นี่แหละคือคุณธรรมสี่ประการด้วยกันที่พวกเราควรที่จะปลูกฝังไว้ภายในใจของเราเสมอเพราะถ้าเรามีคุณธรรมทั้งสี่ประการนี้แล้วไม่ว่าเราจะทำอะไรเราจะประสบกับความสำเร็จอย่างแน่นอนเช่นอยากจะเรียนหนังสือจบมหาวิทยาลัยเราถ้าเรามีคุณธรรมทั้งสประการนี้เราก็จะสำเร็จได้ ถ้าเราอยากจะเป็นเศรษฐีเราก็เป็นได้เศรษฐีเขาก็มีคุณธรรมทั้งสี่ประการนี้ผู้ที่เรียนจบปริญญาอีก mm. เขาก็มีคุณธรรมทั้งสี่ประการนี้เช่นเดียวกันเพราะพุทธเจ้พาพระอารหันตสาวกทั้งหลายที่ได้เป็นพระพุทธเจ้าได้เป็นพราะอารหันตสาวกก็เพราะว่ามีคุณธรรมทั้งสี่ประการนี้เช่นเดียวกันดังนั้นมันไม่ได้อยู่ที่อย่างอื่น ที่จะทำให้เราเป็นหรือไม่เป็นบางคนก็อ้างว่าเป็นผู้หญิงบ้างเป็นผู้ชายบ้างเป็นคนแก่บ้างเป็นเด็กบ้างทำไม่ได้อย่างนั้นอย่างนี้ข้ออ้างเหล่านี้ไม่ได้เป็นข้ออ้างที่ถูกต้องข้ออ้างที่ถูกต้องก็คือไม่มีอธิษฐานความตั้งใจไม่มีสัจจะไม่มีวิริยะความภาคเปียนไม่มีขันติความอดทน ถ้าไม่มีคุณธรรมทั้ง4ี่ประการนี้แล้วไม่ว่าจะทำอะไรก็จะไม่ปรากฏเป็นผลสำเร็จขึ้นมาได้ชีวิตก็จะเป็นชีวิตที่ล้มเหลวไปตลอดเกิดมาก็จะเสียชาติเกิดเพราะจะไม่สามารถทำความดีได้เพราะจิตใจของพวกเรานี้ส่วนใหญ่จะมีกิเลสผู้มีจิตไฝ่ต่ำ ที่จะคอยชักจูงให้เราลงที่ต่ำถ้าเราไม่ฝืนไม่ต่อสู้กับกิเลสตัณหาความโลภความอยากต่างๆเราก็จะถูกกิเลสตัณหาฉุดลากให้เราไปสู่การเสพอบายามุขเช่นเดินสุรายาเนาเล่นการพนันเที่ยวกลางคืนคบคันชั่วเป็นมิตรความเกียรติครา นี่เป็นเรื่องของกิเลสที่มีอยู่ภายในใจของเราที่เราต้องพยายามชำระให้ได้เพราะถ้าเราชำระไม่ได้แล้วเราก็จะถูกชุดลากให้ไปเกี่ยวข้องกับอบายามุขเมื่อเกี่ยวข้องกับอบายามุขแล้วขั้นต่อไปก็จะทำให้เราต้องไปทาบาปทำกรรมอีกต่อไปเพราะอบายามุขนี้ไม่ได้ผลิตทรัพย์ ไม่ได้ผลิตเงินทองให้กับเรามีแต่ทำลายเลือดูดทรัพย์ของเราให้หมดไปนั่นเองเมื่อเราไม่สามารถหาทรัพย์มาได้ด้วยวิธีสุจริตเราก็จะต้องไปหามาด้วยวิธีทุจริตอย่างคนที่เขายุ่งเกี่ยวกับอบาลยมุขจะทำกันคนเสษยาเสพติดเวลาอยากจะซื้อยามาเสกไม่มีเงิน ก็ไปลักขโมยแ้วบริเวณวัด น, นี้มีขโมยมากเพราะมีพวกติดยาเสพติดกันจะขโมยทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาจะขโมยได้สายไฟฟ้าสายโทรศัพท์เครื่องปั๊มน้ำหน้าต่างบานหน้าต่างอะไรที่เขาเอาได้เขาเอาทั้งนั้นเพราะกิเลสตัณหาความอยากที่อยากจะเสพยาเสพติดนี่มันมีกำลังมาก มันทำให้เกิดความทรมานใจเป็นอย่างยิ่งอยู่เฉยๆไม่ได้ถ้าไม่เสพแล้วจะตายยิ่งยัจยิ ง, งกล้าทำบาปไม่กลัวบาปไม่กลัวนรกไม่กลัวคุกไม่กลัวตารางเพราะอำนาจของฝ่ายต่านั้นฉุดกจิตใจให้ไปลงต่านั่นเองดังนั้นเราต้องพยายามต่อสู้กับอำนาจฝ่ายต่า อย่าไปทำบาปอย่าไปยุ่งเกี่ยวกับอบายามุขทั้งหลายตั้งจิตตั้งใจอธิษฐานไว้เลยว่าต่อไปนี้จะไม่ยุ่งเกี่ยวกับอบายามุขทั้งหลายแล้วไม่ว่าจะเป็นการเสพสุรายาเมายาเสพติดหรือการเล่นการพนันหรือการเที่ยวกลางคืนหรือการครบคนไม่ดีคนชั่วเป็นมิตรหรือความเกลียดคร้าน ถ้าเราสามารถอยู่ห่างไกลจากพวกอบายมุกเหล่านี้ได้แล้วเราจะทำความดีได้เราจะทำบุญได้จะรักษาศีลได้จะปฏิบัติธรรมได้จะนั่งสมาธิเดินจงกรมทำจิตใจของเราให้สะอาดบริสุทธิ์หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ ดังนั้นในวันขึ้นปีใหม่นี้จึงอยากจะให้พวกเราทั้งหลายจงตั้งจิต อ, อธิษฐานตั้งสัจจะอธิษฐานว่าต่อไปนี้จะทำบุญทำความดีจะละบาปและจะพยายามชำระกิเลสตัณหาความโลภความโกรธความหลงให้เบาบางลงไปและหมดไปได้ ถ้าสามารถปฏิบัติตามได้แล้วจะมีแต่สิ่งที่ดีที่งามรอเราอยู่เราไม่ต้องไปขอพรจากพระเพราะพระก็ให้พรเราไม่ได้สิ่งที่พระให้ได้ก็คือความปรารถนาดีเท่านั้นเองแต่ผลคือความสุขความเจริญนั้นไม่มีใครให้ใครได้ทุกคนต้องสร้างขึ้นมาเองด้วยการทำดีละบาและ ชำระใจให้สะอาดบริสุทธนั้นจึงขอฝากเรื่องของการมาทำบุญที่วัดในวันปีใหม่และในวันพระนี้ให้ทำได้นำเอาไปพินิษพิจารณาและปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้